สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่6ของ7ขั้นตอนการก้าวขึ้นไปข้างหน้าในขณะที่เราแสวงหาการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณ น, นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะอ่านเวอร์ชั่นภ า, าษาไทยที่เรียกว่าไทย ERV ก็คือ easy read version ก็คือฉบับภาษาไทยอ่านง่ายนะครับเป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองเปโตบทที่หนึ่งข้อที่5นะครับข้อที่5ผมอยากเรื่อยไปจนถึงข้อที่15นะครับพี่น้องโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้คุณจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้ความเชื่อสร้างความดีใช้ความดีสร้างความรู้ใช้ความรู้เพื่อบังคับตนใช้การบังคับตนสร้างความอดทนใช้ความอดทนสร้างชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าใช้ชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าสร้างความผูกพันฉันพี่น้อง ใช้ความผูกพันฉันพี่น้องสร้างความรักเพราะถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้ไม่เป็นคนที่เฉยเมยหรือไร้ประโยชน์ในฐานะคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแต่คนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวก็เป็นคนสายตาสั้นจนเหมือนบอดและได้ลืมไปว่าบาป ที่เขาได้ทำในอดีตนั้นพระเจ้าได้ล้างให้แล้วดังนั้นพี่น้องครับพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะได้แน่ใจว่าคุณจะได้สิ่งที่พระเจ้าได้เรียกและเลือกให้คุณมารับนั้นเพราะถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะไม่มีวันสะดุดและล้มหายไปแล้วคุณยังจะได้รับการต้อนรับอย่างเต็มที่เข้าไปในแผ่นดินนิรันดร์ ของพระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยเหตุนี้ผมจะคอยเตือนคุณอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ถึงแม้คุณจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงนี้แล้วก็ตามผมว่าผมทําถูกแล้วนะที่จะเตือนความจําพวกคุณอยู่เรื่อยๆในขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่เพราะรู้ว่าอีกไม่นาน ผมจะต้องจากร่างนี้ไปแล้วตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราได้บอกกับผมไว้อย่างชัดเจนดังนั้นผมจะต้องทำอย่างดีที่สุดเพื่อที่ว่าเมื่อผมออกจากโลกนี้ไปแล้วคุณก็ยังจะจำเรื่องนี้ได้อยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับอ่านแล้วพี่น้องคงจะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าไม่ใช่เวอร์ชันธรรมดา แต่เป็นฉบับเวอร์ชันที่เรียกว่า Easy Read เวอ s ์ชัครับก็คือฉบับอ่านง่ายอ่านแล้วก็เข้าใจได้ทันทีครับแต่มันอาจจะไม่ตรงนะครับกับภาษาเพราะภาษานั้นจะถูกปรับเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับสมัยนิยมนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้สิ่งที่อยากจะเน้นนะครับจากเวอร์ชันนี้ก็คือท่านตอนที่6ที่เรียกว่า ธรรมหรือธรรมะนะครับซึ่งเป็นความเคารพยำเกรงนอบน้อมนบนอก อ, อันนี้เป็นท่าทีที่เราเองจะต้องมีต่อพระเจ้าครับคำคำนี้มาจากความคำว่าเคารพนับถือเคารพยำเกรงทั้งสองคำนี้มารวมกันพี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นเรื่องสำคัญและในพระธรรมสุภาษิตได้กล่าวถึง ความยำเกรงพระเจ้าถึง17ครั้งด้วยกันซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่เลยครับของพระธรรมสุภาษิตความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของลูกของพระองค์นอกจากนั้นแล้วนะครับความยำเกรงนั้นก็ยังปรากฏอยู่ในพระธรรม1ทิโมธีและสองทิโมธีถึงสครั้งด้วยกันเราพบว่าพันธสัญญาใหม่ ให้ความสําคัญกับคําว่าความเคารพนบนอบยําเกรงพระเจ้าซึ่งอาจแปลได้อีกอย่างหนึว่ามีชีวิตที่คล้ายคืองกับพระเจ้าเลียนแบบพระเจ้ามีชีวิตที่เหมือนพระเจ้าพี่น้องครับการปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เรียนแบบพระเจ้าดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเป็นชีวิตที่เหมือนพระเจ้า ไม่ใช่เป็นการที่ยกตนเสมอเท่าเทียมกับพระเจ้านะครับไม่ใช่ครับแต่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบพระเจ้ามีชีวิตแบบพระเยซูเรียนแบบพระเยซูเรียนแบบพระเจ้านั่นคือความบริสุทธิ์ครับในการดำเนินชีวิตการมีชีวิตแบบนี้นะครับหลายท่านเรียกว่าเป็นชีวิตของลูกของพระเจ้าลูกนั่นก็จะมีชีวิตเหมือนกับคุณพ่อ ดังนั้นเองลูกของพระเจ้านั้นจะต้องจำเป็นมีเป้าหมายชีวิตให้เหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์ของพวกเราความยำเกรงพระเจ้านั้นก็คือการยอมรับในสิทธิอานาจความยิ่งใหญ่อํานาจอธิปไตยของพระเจ้ายอมรับพระลักษณะที่สูงสุดของพระเจ้าพี่น้องครับผมขออนุญาตขยายความ ยำเกรงจนตัวสัน่นพี่น้องคงจำได้ใช่ครับว่าในพระชนะของพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของ trembling fear trembling แปลว่าตัวสั่นครับ fear แปลว่าความเกรงกลัวพี่น้องครับเมื่อเราใช้คําว่า trembling fear ก็คือว่าเราจะเหมือนกับเป็นคนที่สั่นเทมิมเมื่อพบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์เดิมเราจะพบว่าไม่มีใคร ได้เคยเห็นพระเจ้าโมเสตนั้นก็เห็นหลังของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเคลื่อนผ่านโมเสสเพื่อแสดงฤทธานุภาพฤทธิอานาจฤทธิเดชของพระเจ้าให้โมเสสนั้นได้ประจักษ์เพียงครับในสมัยนี้เราเห็นพระเจ้าผ่านทางพระเยซูครับเยซูได้ตรัสในทํานองที่ว่าเมื่อเห็นพระเยซูเท่ากับเห็นพระบิดาเมื่อเชื่อในพระเยซูเท่ากับเชื่อในพระบิดา เพราะว่าพระเยซูกับพระบิดานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับดังนั้นเองความยำเกรงพระเจ้าหรือความเกรงกลัวพระเจ้าก็คือความเกรงกลัวที่จะไม่ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยความเกรงกลัวที่จะไม่ทำให้พระเจ้าผิดหวังความเกรงกลัวหมายความถึงการที่เราจะไม่ให้พระเจ้ากโกรธทำให้พระเจ้าไม่พอพระพทัยในทางกลับกันครับก็มีความต้องการ หรือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้านั่นคือความหมายที่ว่าความยำเกรงความเกรงกลัวพระเจ้านั่นเองในภาษาไทยฉบับหนึ่หนึ่งนั่นแปลว่าเป็นคนมีธรรมะในภาษาอังกฤษนั้นก็แปลว่า godliness godliness ก็แปลว่ามีชีวิตที่เหมือนกับพระเจ้ามีชีวิตที่เรียนแบบพระเจ้าครับดังนั้นเองคำคำนี้ เป็นคำที่สามารถแปลความหมายได้เยอะแยะมากมายครับแต่ผมส่วนตัวนั้นผมชอบคาว่า godliness ก็คือแปลว่าชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าชีวิตที่เหมือนกับพระเจ้าครับเป็นชีวิตที่แสดงถึงความเคารพยกย่องนับถือเกรงกลัวพี่น้องครับชีวิตของเราเป็นแบบนั้นไหมครับในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องระมัดระวัง ที่ทำให้พระเจ้าพอภัยไม่อยากให้พระเจ้าผิดหวังไม่อยากให้พระเจ้าเสียใจไม่อยากให้พระเจ้าที่จะเสียใจกับชีวิตของเราในทางกลับกันครับเราก็จะต้องเกรงกลัวพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงลิขานุภาพพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์น่าเกรงกลัว เกรงขำเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับถ้าเรามีท่าทีแบบนี้ชีวิตของเรานั้นก็จะพัฒนาขึ้นชีวิตของเรานั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปขอพระเจ้าเสริมกําลังและช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านครับในการที่เราจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเป็นชีวิตที่เรียนแบบพระเจ้าอาเมน